ตอนนั้นเกิดความสนใจที่จะดูจิตตัวเองลืมนึกไปว่าจะดูแล้วจะบรรลุอะไรเมื่อไร่ไม่มีตัณหาในการดูนะรู้สึกแต่ว่ามันน่าสนใจที่จะดูเท่านั้นเองไม่ได้คิดว่าเราดูแล้วเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อ น, นั้นเมื่อ น, นีนะ้ไม่มีตัณหาแฝงอยู่ไม่มีมานะนะว่ากูแน่กูแน่นะรู้สึกเออนี้น่าสนใจสภาวะธรรมอันนี้น่าสนใจน่าเรียนรู้ ไม่ได้ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ได้เปรียบเทียบตัวเองกับครูบาอาจารย์ด้วยว่าโอ้ครูบาอาจารย์ดีเรายังไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้เทียบอย่างนั้นด้วยไม่ได้เทียบเขาเทียบเราแต่รู้สึกแค่ว่าเออการดูจิตดูใจมันน่าสนใจขยันดูของมันเอง<ม>แล้วก็ไม่ได้เอาความคิดความเห็นอะไรเข้ามาใส่เพราะจิตใจเป็นสภาวะซึ่งเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่มีใครสอนกันด้วยแต่ก่อนนี้ เราก็ตามดูของเราลูกเดียวเลยว่าสนใจมันจริงๆมันเป็นยังไงงั้นการภาวนานะถ้ามันไม่ดำนําหน้าด้วยตัณหามาหน้ทิฐิมันจะรู้เห็นความเป็นจริงได้ง่ายงั้นเราสํารวจใจของเรานะถ้ามีก็ขจัดออกไปไอ้ตัณหาก็ทําให้ดิ้นพลาดพลาดไปนะ <c oughs> มาหน้านก็กระด้างไม่มีใครเขาอยากสอนหรอกทิฐิมากก็เจ้าความคิด แทนที่จะรู้ก็เอาแต่จะคิดเอาคิดเมื่อไหร่ก็ลืมรู้เมื่อนั้นนี่พอใจเราไม่มีอุปสรรคสามอย่างนะั้นแล้มาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเวลารู้สึกกายรู้สึกใจก็อย่าให้จิตมันไหลสุดตรงไปสองด้านอันหนึ่งเรียกกามสุขาริการุโยคอันหนึ่งเรียกอัตตะกิลมัฐานุโยคนะมันมีไหลระดับนะความรุงแต่งสองด้านนี้ อย่างหยาบหยาบสำหรับคนทั่วๆั่วไปคนหลงโลกเพลิดเพลินไปกับโลกหาความสุขอยู่กับโลกนี่เรียกว่ากามสุขาริการุโยคหยาบหน่อย <นะ S 1> อัตตากริมัฏฐานิโยคก็ทรมานตัวเองกดข่มบังคับตัวเองหลายคนนะจะภาวนาเนี่ยสร้างเงื่อนไขมาบีบบังคับตัวเองทั้งมากมายเช่นต้องกินอย่างนี้ต้องไม่กินอย่างนี้นต้องนอนแค่นี้ต้องไม่นอนแค่นี้อนะไรเงี้ย ต้องทําตัวให้ปอนปอนคิดว่าปอนปอนแล้วบรรลุเร็วไม่เกี่ยวกันเลยนะเราสร้างเงื่อนไขขึ้นมาทรมานตัวเองเยอะแยะเลยเช่นต้องกินแต่ผักอย่างเดียวแล้วจะบรรลุเร็วกินผักกินหญ้าบรรลุเร็ววัวควายบรรลุแล้วท <c> ำ <oughs> ไมมันไม่บรรลุอ่ะ <c oughs> หรือต้องอย่างโน้นต้องอย่างงี้นะต้องอดนอนอดนอนนานๆบางคนอยู่ไม่ไหว สติแตกเนี่เราทรมานตัวเองมากบางคนอย่างนี้ก็เรียกว่าสุดโต่งข้างบังคับตัวเองใช้ไม่ได้นี่ความสุดโต่งเนี่ยถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะเราคอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยความสุดโต่งนั้นเกิดจากความยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งสิ้นแนะยินดียิ น, ยนร้ายขึ้นมามันก็ปรุงแต่งไปข้างสุดโตง่งทางนี้ยินดียินร้ายอย่างนี้สุดโต่งไปข้างนี้ นี่ถ้าเรารู้ทันใจที่ยินดียินร้ายใจเป็นกลางขึ้นมาเราก็รู้สภาวะอย่างเป็นกลางขนาดที่เราว่าเรารู้สภาวะเป็นกลางแล้วเอาเข้าจริงยังแอบสุดโต่งโดยไม่รู้ตัวสุดโตงพอประณีตขึ้นไปนะดูยากลดูเหมือนไม่สุดโตง่งสุดโตรงข้างหนึ่งก็คือพวกที่คอยวุ่นวายอยู่กับอาการของจิตเนี่ยฟุ้งซ่านไปปรุงแต่งสุดโตงไป วุ่นวายอยู่กับอาการของจิตเช่นะ at, จิตมีราคะทํำยังไงจะไม่ให้มีราคะนะทํายังไง ร, ราคะจะไม่เกิดอีกจิตมีโทสะทํางไงโทสะที่มีอยู่จะดับโทสะใหม่จะไม่เกิดนะจิตหลงไปทํางไงจิตที่หลงอยู่จะหายแล้วก็ไม่หลงอีกเนะนี่คยครวุ่นวายอยู่อย่างนี้ทำยังไงจิตจะสงบตลอดเวลานะจิตไม่สงบนิดหน่อยก็ไม่ได้ทํางไงจิตจะใส ผองใสอยู่ตลอดเวลามองหน่อยๆก็ไม่ได้ต้องหาทางต่อสู้เนี่ยนี่พวกหนึ่งนะนี่สุดตรงไปข้างหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งนะรู้ตัวไปเฉยๆนะไม่ไปยุ่งกับอาการของจิตไม่ไปยุ่งกับความปรุงแต่งนะแต่ประคองใจเฉยอ ย, อยู่งนะั้นรู้ตัวอยู่เฉยๆนะรู้ตัวเฉยๆก็สุดตรงไปอีกข้างหนึ่ง ข้างนี้ข้างติดสุขละติดสบายอยู่ตรงเนี้ยสบายไม่ปรุงไม่แต่งไม่คิดไม่นึกอะไรนะรู้ตัวอยู่เฉยเฉยอีกพวกหนึ่งไม่รู้ตัวเฉยนะอีกพวกหนึ่งวุ่นวายแก้ไขาอาการต่างๆเพื่อจะเอาเฉยนะี่แหละเอาดีเอาสุขเอาสงบในความปรุงแต่งความสุดโต่งในใจของผู้ปฏิบัตินะถึงละเอียดขึ้นไปมันก็ยังมีอยู่แต่มันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโฉมไปมันไม่หยาบหยาบเหมือนที่เคยเห็ น, นอ่ อย่างเราประคองใจนะเรารักษารู้สึกตัวสึกอย่างนี้ทั้งวันนะอะไรอะไรมาปัดทิ้งปัดทิ้งไปอย่างนั้นไม่เอานะให้รู้สึกเป็นธรรมชาติที่สุดเลยรู้สึกด้วยจิตที่เป็นธรรมดาที่สุดเลยตอนนี้แล้วมีคนเที่ยวสอนกันเรื่อยๆนะว่าอย่ามาดูกายอย่ามาดูจิตเลยนะให้ปัดทิ้งไปเลยอะไรๆก็ไม่เอานะศีลก็ไม่ต้องมี สมาธิก็ไม่ต้องเอาปัญญาก็ไม่ต้องเอาไม่เอาอะไรสักอย่างเลยสี่งที่ไม่ต้องรักษานะรักษาก็เป็นภาระนี่สมาธิก็ไม่ทําปัญญาก็ไม่ต้องเจริญไม่ต้องรู้กายไม่ต้องรู้ใจเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็นิพพานไปเลยนะมันปล่อยไม่ได้มันปล่อยไม่ได้ตรงที่คิดว่าไม่เอาอะไรเลยนั่นแหละยึดในความคิดว่าจะไม่เอาอะไรเลยละนะสมัยพุทธกาลก็มีคนชนิดนี้หลวงพ่อลืมแล้วว่าชื่ออะไร ทีข้านขาหรือเปล่าเร่องถามฝ่ายวิชาการพระป๋องทีข้านักขานะ่ะไปคุยอวดพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรสมควรกับข้าพระองค์ถึงไอ้นนท์ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดนะท่านก็เลยย้อนเข้าให้บอกว่าอย่าไปยึดความไม่ยึดอะไรนะอย่าไปยึดในความเห็นว่าจะไม่ยึดอะไรด้วยความเห็นว่าอะไรๆก็ไม่ควรยึดก็ไม่สมควรแก่ท่านด้วย เพ้พวกเรามาถึงวันนี้เริ่มสอนสอนกันนะหลวงพ่อชักได้ยินถีทีขึ้นวันก่อนอาจารย์กำพลอาจารย์กำพลที่จิตสดใสแต่กายพิการอะไรจิตสดใสแม้กายพิการต้องอย่างนั้นอาจารย์กำพลหลวงพ่ออำนาจเลยมาวันนั้นเลยมานั่งคุยกันหลวงพ่อกับอาจารย์อำนาจนั่งนะอาจารย์กำพลนอน เรียกนอนคุยกันดีนะเราไม่ลงนอนด้วย <g ười> คุยๆกันนะ่เาเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มมีคนนะภาวนาเอาความว่างไปเลยอะไรอะไรก็ไม่เอานะศีลก็ไม่เอาสมาธิปัญญาไม่เอาจะเอามรรคผลนิพพานเลยเรียกว่าขึ้นต้นไม้จะขึ้นทางยอดเนี่ยอาจารย์กำพลเขบอกเล่าให้หลวงพ่อฟังผมว่ามันไม่ถูกหนะมันขึ้นต้นไม้ทางยอด หลวงพ่ออำนาจก็ว่าใช่ศีลก็ไม่รักษามจะได้ยังไง <c oughs> ความจริงก็คือถ้าศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะให้ดีจะไม่พลาดอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ทำอะไรเลยนะนะนอกจากรูนะ้เวลาอ้างอิงนะว่าหลวงพ่อสอนบอกไม่ต้องทำอะไรเลยอ้างอิงให้มันครบนะนอกจากรู้นะ <c oughs> นอกจากรู้แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยหลวงพ่อไม่ได้สอนว่าไม่ต้องทำอะไรเลยแต่พอเรามีสติรู้อยู่เนี่ยศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดไม่ใช่ว่าไม่เอาอะไรเลยก็ทั้งไม่เอารู้นะไม่เอาศีลไม่เอาสมาธิไม่เอาปัญญามันก็เป็นอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิสิอะไรที่ดีๆไม่เอาได้ไงพระพุทธเจ้าสอนนะศีลสิกขาให้เจริญศีลสิกขาให้เจริญจิตสิกขา ให้เจริญปัญญาสิกขาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนสิ่งเหล่านี้สอนให้ทําต้นทางของการปฏิบัติสอนให้เราทําสติปัฏฐานจะทําสติปัฏฐานได้จิตต้องมีศีลก่อนจิตจะต้องตั้งมั่นก่อ น, นแล้วก็มีปัญญาสิกขาคือมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจพอรู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นก็หลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนะกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อจะหลุดพ้นอย่างนี้ไม่มีอีกนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นหลักสูตรของท่านนะอยู่ๆเราก็กิจอื่นไม่ต้องทําเลยกิจอื่นไม่มีอีกแล้วนะยกเว้นบาอย่างเดียวนะไม่ได้นะต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกใจนะคนไหนทุศีลเคยทุศีลก็ต้องหัดมีศีลไว้ศีลสําคัญนะถ้าไม่มีศีล น, นะจิตจะฟุง้งซ่าน สมาธิจะไม่เกิดจิตจะฟุ้งซ่านอย่างเราชอบโกหกเงี้ยเวลาโกหกเราต้องใช้หน่วยความจําเยอะใช่ไหมบางคนโกหกบ่อยโกหกเจอใครก็โกหกเลยใช้หน่วยความจําไปหมดละไอ้เรื่องที่ควรจําจําไม่ได้เลยเนะนี่ยถ้าเรามีศีล น, นะใจเราจะสงบง่ายไม่ฟุ้งซ่านถ้าคนไม่มีศีลมันจะฟุ้งซ่านง่ายเช่นคิดจะฆ่าเขาใช่หมมันต้องฟุ้งซ่าน ค่าเขาแล้วต้องคิดปกปิดนะก็ต้องฟุ้งซ่านนะคิดจะไปขโมยเขาใช่ไหมฟุ้งซ่านเนะฉะนั้นศีลนั้นทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านศีลนั่นแหละทำให้จิตสงบไง่ายเพราะฉะั้พอจิตใจเราสงบจิตใจเราตั้งมั่นนะนีเ้เรามีพื้นฐานที่ดีแล้วก็มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจไปอย่างสบายๆรู้ไปอย่างมีความสุขไม่ใช่รู้ด้วยความโลภเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้นะ ชาตินี้ไม่ได้ก็ช่างมันต้องทําใจอย่างนี้นะหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นท่านเคยอยู่น้องผือกับหลวงปู่มั่นเป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายรุ่นหลังๆเลยตอนนั้นท่านไม่สบายไปเยี่ยมท่านก็สนทนาธรรมมากับท่านนะเสร็จแล้วท่านก็น้ําตาคลอเลยท่านบอกว่าท่านอยู่กับครูบาอาจารย์แท้ๆเลย รุ่นเดียวกันนะเขาพ้นทุกพ้นร้อนไปหมดแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยอนยะ่างเงี้ยท่านพูดนะน้าตาคลอแล้วก็โอ้สงสารท่านนะท่านบอกท่านไม่ได้อะไรแต่ท่านบอกท่านท่านสู้นะบอกว่าถึงไม่ได้อะไรเลยท่านก็จะสู้ตายชาตินี้ไม่ได้นะอีกร้อยชาติก็ไม่เลิกปฏิบัติเนี่ยใจของผู้ปฏิบัติใ่ เพราะนถ้ารอยชาติก็ปฏิบัตินะเราจะรีบร้อนทำไมใช่ไหมแต่อย่าขี้เกียจนะสอนว่าไม่รีบร้อนอย่าไปแปลว่าให้ขี้เกียจนะเพราะกิเลสมันชอบแปลคําสอนของครูบาอาจารย์กลับหัวกลับหางหรือเรื่อยๆนะไม่ขี้เกียจหรอกแต่ว่าขยันทําเหตุแต่อย่าหวังผลขยันทําเหตุที่ถูกต้องนะมีศีลเอาไว้นะมีจิตที่ตั้งมั่นไว้คอยรู้กายคอยรู้ใจไปนึงๆ น, นี่ขยันทําเหตุไป แล้วนะผลมันจะมีเองเมืนะ่อมันสมควรแก่เหตุแล้วผลมันก็เกิดให้คอยรู้สึกเอานะรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆใครเคยฝึกกรรมฐานอะไรก็ฝึกต่อไปได้นะแต่ต่อยอดให้เป็นกรรมฐานเที่งหลายที่สอนกันในบ้านในเมืองเราเนี่ยเกือบทั้งหมดใช้ได้เกือบทั้งหมดนะยกเว้นกรรมฐานบางอย่างมันใช้ไม่ได้จริงๆอย่างไปเพ่งไฟอย่างเงี้ยเพ่งน้ําเพ่งดินอะไรเนี่ยอันนั้นได้สมถะแต่ก็ยังต่อยอดได้ บางอย่างต่อยอดไม่ได้เลยนะเช่นนั่งแล้วก็ไปดูเทวดาอินพรมยมยักษ์อะไรเงี้ย น, นะไอ้อย่างงั้นต่อยอดไม่ได้นะต่อไม่ถูกหรอกดูทีไรเห็นแต่เทวดาดูทีไรเห็นผีนรกหนึ่งนะอย่างงั้นต่อยอดไม่ได้ต้องเห็นกายเห็นใจตัวเองได้ถึงจะใช้ได้นะแต่บางครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้เห็นนรกเห็นสวรรค์ก่อนอันนั้นก็เป็นอุบายของท่านนะท่านเห็นว่าคนยุคนี้ไม่มีศีลมีธรรมนะท่านก็พาให้ดูนรกดูสวรรค์ไปนะ เนี่ยคนจะได้กลัวบาปเนี่ยพอกลัวบาปเกรงกลัวต่อบาปแล้วนะถ้าได้ศึกษาธรรมะตอ่อก็จะไปง่ายขยันภาวนากลัวตกนรกขยันภาวน า, น า, วนาถ้าไม่ได้ศึกษาต่อนะมันก็จะคิดแต่ว่าทํายังไงจะได้เป็นเทวดาฉะนั้นะจริงๆแล้วกรรมฐ า, านอะไรนะเริ่มต้นสักอย่างหนึ่งนะแล้วมาคุยกันหน่อยนะมันต่อยอดได้แทบทั้งนั้นนะเคยฝึกผ่องยุบนะก็ดูท้องผ่องยุบไปดูเล่นเล่น ปรับนิดนึงอย่าดูเอาจริงเอาจังดูเล่นเล่นยกเทา้าย่างเทา้าก็รู้เล่นเล่นเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเห็นเท้ามันเคลื่อนไหวเท้ามันยกเท้ามันย่างจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะแยกกายแยกจิตซะแล้วมันก็ไปต่อไดนะ้ส่วนมากที่ไปดูพองยุบแล้วไปต่อไม่ได้เพราะเอาจิตกับกายไปรวมกันไปเพ่งนะเพ่งอยู่ที่กายนะีไม่แยกรูปแยกนามถ้าไม่แยกรูปแยกนามน ะ, ะเจริญปัญญาต่อไปไม่ได้ พอปัญญาขั้นที่หนึ่งชื่อนามรูปปริเฉทยานแยกรูปแยกนามนะคนไหนดูลมหายใจก็ต้องแยกรูปแยกนามเหมือนกันเห็นร่างกายมันหายใจไปใจเป็นคนดูแยกรูปแยกนามคนไหนรู้อิริยาบถสียืนเดินนั่งนอนนะก็แยกรูปแยกนามเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้คนดูเหมือนจิตเป็นคนดูร่างกายที่เคลื่อนไหวไป เนี่ยหัดแยกรูปแยกนามไปเรื่อยๆคนไหนดูเวทนาก็หัดแยกรูปแยกนามนะนั่งอยู่เนี่ยเห็น er. ร่างกายก็ส่วนหนึง่งเวทนาเป็นนามธรรมเป็นอีกส่วนหนึง่งอย่างเรานั่องอยู่เนี่ยแล้วก็ความเจ็บความปวดมันแทรกเข้ามาคนล้านกันระหว่างร่างกายกับความเจ็บความปวดนะร่างกายกับจิตใจที่เป็นคนรูนะ้ความเจ็บปวดกับจิตใจที่เป็นคนรู้ก็แยกกันอีกนะค่อยๆแยกขันออกไปเรืนะ่อยเนี่ย จะทํากรรมฐานนะไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ต้องหัดแยกไปเรื่อยๆจะดูจิตดูใจก็หัดแยกนะเห็นความโกรธก็ส่วนหนึ่งนะจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งนี่ความโลภก็ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งร่างกายก็อยู่ต่างหากร่างกายไม่ใช่ความโกรธความโลภความหลงร่างกายไม่ใช่จิตค่อยๆหัดแยกธาตุแยกขันธ์อย่างนี้แยกไปเรื่อยๆ ARS. พอแยกแล้วแต่ละธาตุแต่ละขันธ์มันจะแสดงความจริงให้ดูมันจะแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอก ยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าเราดูท้องผ่องยุบเนี่ยแล้วจิตเราเป็นคนดูมันจะรู้สึกจะรู้สึกทันทีไม่ใช่คิดนะจะรู้สึกทันทีว่าร่างกายที่ผ่องที่ยุบนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ายกเท้าย่างเท้าเดินจงกรมไปนะเห็นยกเท้าย่างเท้าไปจิตเราอยู่ตางหากเป็นคนดูเราจะเห็นทันทีเลยว่าร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นไ้มมันลากความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ งั้หายใจออกหายใจเข้าไปนะ้ำจะเห็นว่าร่างกายที่กําลังหายใจไม่ใช่ตัวเรานะหรือจิตดูจิตดูใ จ, จเห็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่าหากเนี่ยแยกจิตกับกิเลสต่างๆออกจากกันแล้วนะี่ก็จะเห็นเลยกิเลสต่างๆก็ไม่ใช่ตัวเราความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโลภไม่ใช่ตัวเราสุดท้ายเหลือจิตอันเดียวเป็นตัวเราค่อยๆสังเกตอย่าประคองอย่ารักษาจิต นะเพราะงั้นไม่ใช่ทําความรู้สึกตัวแล้วก็เฉยจิตเฉยเฉยอยู่ยงั้นนันนั้นรักษาจิตเอาไว้เราต้องปล่อยให้จิตทํางานเพราะฉะนั้นจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้<ม>เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้<ม>เดียเเด๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะกับทีมนี้สมคนนี้ไปหาหลวงปู่เทศมาด้วยกันหลวงปู่เทศสอนธรรมะเนี่ยสั้นจุดจูเลยสอนแต่จิตกับใจ ท่านสอนสองเรื่องเองจิตกระใจฌานกับสมาธินะฌานก็คือการเพ่งสมาธินี่ใจตั้งมั่นรู้ตื่นขึ้นมานะท่านสอนส่วนที่เป็นครีมจริงๆที่คนทําผิดมากๆจิตกระใจหมายถึงอะไรจิตหมายถึงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสังเกตไหมเวลาเราหัดดูไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นจิตเดี๋ยวก็เป็นใจนะถ้าเราเห็นว่าเดี๋ยวก็เป็นจิตเดี๋ยวก็เป็นใจนะวันหนึ่งจะทาลายตัวผู้รู้ได้ เราจะรู้อะไรตัวผู้รู้ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็เป็นตัวผู้คิดตัวผู้รู้ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็กลายเป็นตัวผู้เพ่งนี่ยตัวผู้รู้ก็อยู่ต่างหากนะท่านเรียกว่าใจตัวผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เพ่งนัท่านเรียกว่าจิตนีสัมนวนของท่านนะนี้เป็นบูหารของท่านไม่ตรงกับภาษาปริยัติหรอกี่เป็นภาษาของท่านเพื่อสอนให้เราเห็นว่ากระทั่งตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะตัวผู้รู้ก็เกิดเกิดดับดับ อย่าประคองตัวผู้รู้ไว้เฉยๆถ้าประคองตัวผู้รู้ไว้เฉยๆจะไปปลมมรรคนั้นตัวผู้รู้เองก็เกิดเกิดดับดับไปเรื่อยๆเนะนี่ยครูบาอาจารย์นะเวลาสอนนะท่านสอนเหลือสั้นจุดจูนะเราทํากันฟางตายเลยกว่าจะเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนตอนฟังก็เหมือนเข้าใจนะเหมือนๆ เ, เข้าใจแต่ไม่จริงหรอกไม่เข้าใจจริงหรอกตนะอนวันหนึ่งถึงปิ๊งใช่ไหมทาไมเนาะหลวงปู่สอนแต่จิตกับใจนะภาวนาไปแล้วถึงเข้าใจอ่อ ท่านจะสอนว่าจิตผู้รู้ไม่เที่ยงนะสิเดี๋ยวก็เป็นใจคือเป็นผู้รู้ขึ้นมาผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็เป็นจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเห็นไหมผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเนี่ยถ้าผู้ใดยังเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิจำไว้นี่หลวงปู่ล่าผู้เจ้าก้สอนไว้ใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงยังเป็นมิจฉาทิฏฐิดูไปเรื่อยเห็นไหมสภาวะธรรมทั้งหมดเลยเลยไม่ใช่ตัวเราละ ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเวทนาความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรานะจิตตสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลโลภโกรดหลงทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราตัวจิตเองก็เกิดเกิดดับดับไม่ใช่ตัวเราเนี่ยไม่มีตัวเราสักอันเดียวเลย น, ะนี่ดูไปซ้ําแล้วซ้ำอีกนะคนที่ได้โสดาแล้วนะั่นก็ยังดูซ้ําอย่างเดิมนะได้แล้วก็ต้องดูอย่างเดิมไม่ใช่หนีไปดูความว่างหนีอย่างนั้นก็หนีไปขี้เกียจอีกแหละ ถ้าใช้จิตใจของมนุษย์ธรรมดาจิตใจของคนธรรมดานี่แหลนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปก็จะเห็นแต่ว่ามันแปรปรวนทั้งวันอย่างร่างกายนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกขนะ์จิตใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ร่างกายไม่มีดีมีร้ายนะร่างกายมีแต่สุขกับทุกข์แต่จิตใจมีดี ม, ดมีร้ายด้วยนะเนี่ยคอยรู้ไปเรื่อยนะในที่สุดจะเห็นเลยหาสาระไม่ได้หาแก่นสารไม่ได้เลยทั้งกายทั้งใจจิตมันวาง เวลาวางวางของเขาเองไม่ต้องแกล้งวางนะไม่ใช่อยู่ๆนะก็ถืออยู่เออฉันวางแล้นี่ฉันวางแล้วความจริงกา ม, มือไว้แล้วหดมือไว้นี่นแอบหยิบ ม, มาแล้วนี่แต่บอกว่าฉันวางล้วถ้าวางจริงนะมันสลัดเลยแถมมือหายไปด้วยแปลกนะบอกบอกไว้ก่อนนะแบบยั่วกิเลสยั่วน้ำลายทำไมนะวันนึงโยนจิตทิ้งไปได้ฟังแล้วอัศจรรย์ พวกเรารู้สึกไหมอย่าว่าแต่โยนจิตทิ้งเลยโยนกายทิ้งยังโยนไม่ได้เลยใช่ไหมหกล้มลงไปใช่ไหมจิตยังล้มตามลงไปด้วยเลยไปไหนไปด้วยกันไปไหนไปด้วยช่วยสิบบาทแต่ด้วยกันค่อยดูนะค่อยดูค่อยรู้รู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนะแยกสภาวะไปเรื่อยนะกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตใจก็ยังแยกออกไปได้อีกนะเป็นเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งสัญญาความจําได้หมายรู้ก็ส่วนหนึ่งสัญญาเนี่ยยังไม่ต้องแยกนะสัญญาไปยุ่งกับมันมากเดี๋ยววิปลาสเพราะตอนนี้พวกเราเป็นพวกสัญญาวิปลาสอยู่แล้วนะคนซึ่งไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยพวกสัญญาวิปลาสทางนั้นนะคือยังหมายผิดอยู่ยังหมายผิดผิดอยู่ยังหมายสิ่งซึ่งไม่มีตัวมีตนว่ามีตัวมีตนอยู่นะงั้นสัญญาเนี่ยปล่อยไปก่อน ยังเอาสัญญาวิปลาสมาดูสัญญาวิปลาสเนี่ยไปไม่รอดนะงั้นท่านก็ทิ้งตัวนี้ไว้ก่อนเรามาดูใช่ไหมดูกายดูเวทนาดูจิตจิตหมายถึงจิตตสังขารนะไม่ใช่จิตแท้ๆหรอกจิตตสังขารคือความปรุงดีความปรุงชั่วนะั่นเองก็รู้ทันไปมันปรุงดีขึ้นมาก็รู้ปรุงชั่วขึ้นมาก็รู้ต่อไปจะเห็นแต่สภาวะธรรมล้วนๆพอเห็นแต่สภาวะธรรมล้วนๆ น, นะแต่มีแต่สภาวะอันนั้นแหะคือทำมานุปัสสนา สภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวก็ทํางานได้เห็นกระบวนการทํางานของสภาวะธรรมที่ทํางานร่วมกันปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาได้นี่นเรียกว่าทำมานุปัสสน า, าล้รู้แล้วไม่มีตัวมีตนอะไรหรอกนั้นเบื้องต้นก็รู้กายรู้เวทนารู้จิตอะไรย่างนี้ไปก่อนง่ายๆค่อยฝึกค่อยหัดของเราไปทีละเล็กทีละน้อยนะเดววันหนึ่งจะได้โบนัสของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่มีอะไรดีที่สุดวิเศษที่สุดเท่ากับความพ้นทุกข์เลยทุกวันนี้ที่เราดิ้นรนมาตั้งแต่เล็กนะตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเลยนะพักเพียรเรียนหนังสือไปหางานทำไปอุตส่าห์มีครอบครัวมีลูกมีเมียมีสามีมีตําแหน่งหน้าที่มีทุกสิ่งทุกอย่างนะก็มุ่งหวังที่ว่าจะมีความสุขทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันไม่มีความสุขจริงทุกอย่างมันได้มาแล้วมันก็เสียไปทุกอย่างมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไป ถ้าเราเลึกชาติยาวๆไม่ได้เราลึกชาติปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นเลยทุกอย่างในชีวิตเราไหลามาแล้วไหลไปหมดเลยทุกอย่างว่างเปล่าดูเหมือนจะมีเวลาเราเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างนะดูเหมือนมันมีจริงๆเห็นไหมพอผ่านเวลาไปนิดเดียวดูเหมือนเลือนลางแล้วดูเหมือนไม่มีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะเลือนหายไปทุกอย่างเป็นอย่างนั้นไหลมาไหลไปนะหาสาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้เนี่ยเรารู้ของเราไปเรื่อยๆ ให้ฝึกเอานะแล้ววันหนึ่งก็จะได้โบนัสได้ความพ้นทุกข์ได้ความพ้นทุกข์นะก่อนจะได้ความพ้นทุกข์นี่ยเห็นทุกข์เห็นทุกข์นะเห็นทุกข์คือเห็นกายนี้ใจนี้นะทุกข์ล้วนๆเลยทุกข์สุดๆเลยนะไม่มีอะไรทุกข์เหมือนเลยไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างอย่างที่เคยรู้เคยเห็นแล้วจะทุกข์ล้วนๆเลยพอเห็นทุกข์ล้วนๆนะแล้วก็หนีก็ไม่ได้นะเราจะหนีไปอยู่ในโรมันโลกเข้าฌานใช่ไหมเราก็เอาจิตไปด้วยนี่จิตเป็นตัวทุกข์ซะแล้ว่ะ นีไปพรหมโลกก็ไม่พ้นทุกนะมันไม่เหมือนตอนที่อินทรียยังอ่อนนะเข้าฌานปุ๊บรู้สึกพ้นทุกไปละนี่จิตสเสวยสุขลนะพราะอินทรีย์แก่รอบจริงแนละจิตเป็นตัวทุกแล้วเนี่ยหนีไปอยู่ในพรหมโลกเข้าฌานอยู่ก็ไม่พ้นทุกนะทำยังไงก็ไม่พ้นทุกเลยอยู่ตรงไหนก็ทุกนั่นแหละเพราะขันเป็นทุกอยู่ตรงไหนก็มีขันนั่นแหละนี้บางคนก็เลยเจ้าเล่ห์นะคิดว่าถ้าไม่มีขันเราจะไม่ทุกก็เลยทําสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะเพ่งรูปไปเรื่อยเพ่งเพงเพง จนจิตดับเทนปลอมลูกฟักไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนาะเหลือร่างกายอันเดียวความจริงเหลืออยู่หนึ่งขันนะคือรู ป, ปขันแล้วรู ป, ปขันเนี่ยกรรหล่อเลี้ยงไวนะ้แล้วพอหมดกำลังของการเพ่งนะมันจะปรุงอีกสี่ขันขึ้นมาใหม่สี่ขันจะเกิดขึ้นมาอีกมันไม่ละหรอกนะยังเหลืออยู่เหลือเชื้ออยู่อีกขันนึงปล่อยไม่หมดปล่อยไม่หมดยังงอกได้อีก ไม่เหมือนการทำสติปัฏฐานนะทำมิปัสนารู้กายรู้ใจไปเนี่ยจนวันนึงเห็นทุกข์ล้วนๆมันทิ้งเลยมันปล่อยมันวางมันวางไปหมดเลยนะโดยที่ยังรู้สึกตัวอยู่ความอัศจรรย์ของธรรมะอยู่นี่แหละสติก็ยังมีอยู่นะยังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะแต่ปล่อยปล่อยต่อหน้าต่อตานี่แหละสลัดทิ้งไปเลยเอา้าวหายไปแล้วกว้างทิ้งไปแล้วนะใจเนี่ยที่เหลือเนี่ยมีแต่ธรรมะล้วนๆ น, นะมีแต่ความรู้ตื่นเบิกบานเป็นธรรมะล้วนๆอยู่อย่างนั้นเลย เรารู้เลยที่พึ่งที่อาศัยของเราที่แท้จริงนะที่จะเป็นสลาณะของเราได้ที่แท้จริงมีแต่ที่นี้แหละอย่างแต่เดิมเราท่องเป่าๆนะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลาณะถามแล้วนึกออกไหมให้เป็นสลาณะได้ไงนึกไม่ออกหรอกนะพระพุทธเจ้าก็ น, นิพพานไปแล้วใช่ไหมพระธรรมก็อยู่เต็มตู้เลยคืนไปเอาเป็นสลาณะแบกไปด้วยตายขาที่เลยเห็นไหมพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์เดี๋ยวก็เลีอะไรไว้ใจยากเห็นไหม เดี๋ยวทำแผลงแผลงอะไรนี่เอาเป็นสรารณะได้ไงดีแต่พูดแต่ปากหรอกนะไม่มีสรารณะจริงหรอกจนใจเราเข้าถึงธรรมนะถึงธรรมแท้แล้วเราถึงจะรู้ว่าสารณะจริงๆอยู่ที่นี่พุทธะที่แท้จริงก็คืออันนี้แหละพุทธะที่แท้จริงก็คือธรรมนี่แหละนะธรรมที่แท้จริงก็คือพุทธะนี่แหละนะพระสงฆ์คือพู้ซึ่งไปสัมผัสแล้วนี่นะก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมนะเราจะไม่รู้สึกว่ามีตัวมี ต, มตนอยู่อีกเลยนะ จะรู้สึกแต่ว่ามีแต่ทำล้วนๆเลยเราะงั้นที่เรียกว่าพระสงฆ์พระสงฆนะ์นั้นถ้าเป็นพระสงฆ์แท้ๆเต็มร้อเซนตจะเป็นอันเดียวกับทำจะไม่มีตัวพระสงฆ์ขึ้นมาหรอกเนี่ยอัศาจรรย์นะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้ทิ้งร่องรอยไว้ให้เราเดินตามหน้าที่พวกเราแต่มีแต่ความภาคเพียร น, นะศึกษาให้รู้เรื่องก่อนนะฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่อง แล้วก็หัดไปเจริญสติรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่หนีไปอยู่ในความว่างว่างนะรู้กายรู้ใจไปเรื่อยรู้ไปอย่างสบายสบายรู้ด้วยจิตใจธรรมดาธรรมดายัางเนี้ยนะวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาแจ้งครั้งที่หนึ่งก็อย่างนั้นงั้นนะครั้งที่สองครั้งที่3แจ้ง4ครั้งนะแจ้งสครั้งแล้วถึงจะโยนทุกอย่างทิ้งไปไดนะ้นี่เป็นเรื่องแปลกนะเป็นกฎของธรรมะเรียกว่าธรรมนิยาม เป็นกฎของธรรมะนะต้องแจ้งสีทีถึงยะหลุดนะอ่ะต่อไปไปทำหน้าที่ไปกินข้าวไป